พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบองพระสูตรที่16เจโตขีลสูตรสูตรว่าด้วยกิเลสที่เปรียบเหมือนตอของจิตพระผู้มีพระภาคประทับนเชตะวนารามทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายถึงเรื่องที่ว่าถ้าภิกษุยังละกิเลสที่เปรียบเหมือนต่อของจิ ต, ค, ต, าา ต, ออจตคือเจโตขีละห้าประการ และถอนกิเลส ท, ที่เปรียบเหมือนเครื่องผูกมัดจิตคือเจตโสวินิพันธะห้าประการไม่ได้ก็มิใช่ฐานะที่ภิกษุนั้นจะถึงความเจริญงอกงามไพบู์ในพระธรรมวินนันนี้ต่อของจิตห้าแล้วส่งแสดงกิเลส ท, ที่เปรียบเหมือนต่อของจิตห้าประการคือหนึ่ง สงสัยในพระศาสดา 2. สงสัยในพระธรรม 3. สงสัยในพระสงฆ์สสงสัยในศิกขาคือข้อที่จะต้องศึกษาคือศีลสมาธิปัญญา 5. โกรธเคืองในเพื่อนปรมจารีเมื่อมีความสงสัยหรือความโกรธเคืองข้อใดข้อหนึ่งนี้แล้ว ก็ไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องผูกมัดจิตห้าแล้วส่งแสดงกิเลสที่เปรียบเหมือนเครื่องผูกมัดจิตห้าประการคือ 1. ไม่ปราศจากความกาหนัดพอใจรักใคร่ในกาม 2. อไม่ปราศจากความกาหนัดพอใจรักใคร่ในกาย 3. ไม่ปราศ จ, จากความกำหนัดพอใจรักใคร่ในรูป 4. กินแล้วก็ประกอบสุขในการนอน 5. ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยหวังจะไปเกิดในเทพพวกใดพวกหนึ่งเมื่อมีกิเลสเหล่านี้ข้อใดข้อหนึ่งจิตก็ไม่น้อมไปเพื่อความเพียรถ้าละและถอนกิเลสข้างต้นเสียได้ก็มีฐานะที่จะถึงความเจริญงอกงามไพยบูร ในพระธรรมวินัยนี้ทรงแสดงภิกษุผู้ประกอบด้วยอิทธิบาทคือคุณธรรมที่ให้ถึงความสาเร็จ4ประการคือ 1. พอใจ 2. เพียร 3. คิด 4. ไตรตรองพร้อมทั้งมีความกระตือรือร้อนเป็นที่หรวมเป็นมีคุณธรรม15้าอย่าง คือละกิเลสอย่างละห้าสองอย่างข้างต้นกับมีคุณธรรมอีกห้าอย่างก็สามารถจะตรัสรู้ได้เปรียบเหมือนแม่ไก่ ก, กบไข่ดีแม้ไม่ปรารถนาอะไรมากลูกไก่ก็ออกมาได้ฉะนั้น